ช่วงที่หลวงพ่อป่วยหนักท่านก็ได้ปรารภด้วยการเขียนเป็นข้อความว่ า, าให้จัดงานศพนะด้วยความเรียบร้อยอย่าให้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ท่านก็ปรารภถึงตอนที่มีการจัดงานศพให้หลวงพ่อเทียนนะท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นก็มีความ ไม่พอใจมีเรื่องบาดหมางกันนะสืบเนื่องนะกันมาอันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าหลวงพ่อเทียนมีลูกศรลูกหายเยอะแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งที่จริงก็ล้วนแต่ปรารถนาดีกันทั้งนั้นนะแต่ก็อาจจะตีความเจตนาลมของหลวงพ่อเทียนนะไปกันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นพอ จัดงานศพก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็ผิดใจกันอันนี้ที่จริงก็ไม่ได้เกิดกับกรณีจัดงานศพหลวงพ่อเทียนเท่านั้นนะงานศพของครูบาอาจารยนะ์ที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งไม่มีชื่อเสียงก็ตามแต่ว่าเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนนะก็มีความขัดแย้งกันได้ง่าย แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่แต่เฉพาะพระนะค า, ารวะญาติโยมเลยเพราะคนที่มีเงินมีฐานะพอจัดงานศพก็ขัดแย้งกันอาจจะขัดแย้งกันตั้งแต่ตอนดูแลรักษาแล้วนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกให้ยือ้อเต็มที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอย่ายื้อเลยนะมัน จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานนอกจากนั้นก็ยังมีความแตกต่างกันเรื่องของวิธีการรักษาจะใช้แพทย์แผนใหม่ดีหรือว่าจะใช้การแพทย์ทางเลือกสมุนไพรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวมากแล้วก็ขัดแย้งกันแต่ว่าหลวงพ่อท่านนะมีคำสั่งในเรื่องนี้นะแล้วท่านก็ แสดงเจตนาลมไว้ชัดเจนนะว่าไม่ต้องการยื้อนะและท่านก็พูดเสมอว่าจะมาขอตายที่วัดนะไม่ใช่ที่โรงพยาบาลเพราะเรื่องปัญหาความขัดแย้งเรื่องการรักษาก็มีน้อยมากนะมันก็มีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของความเป็นที่แตกต่างกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ราบรื่นนะซึ่งอันนี้ก็ แสดงว่านะมีความสมัคคีกันในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้นะเมื่อหลวงพ่อท่านลบสังขารไปนะมันก็ต้องมีงานที่จะต้องทำต่อก็คือทำให้งานโปรงศพของท่านเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นให้ได้เป็นไปตามเจตนาลมของท่านมากที่สุดโดยเพรา ะ, ะการที่ไม่ขัดแย้งกันนะ ท่านก็ป่าลบถึงกรณีของหลวงพ่อเทียนนะเพราะว่าหลวงพ่อก็คงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะมันมีช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งที่พระป่าสุกโตนะก็เคยร้างนะประมาณปีสามหกนะก่อนนั้นสามปีก็มีความขัดแย้งกันระหว่างาพระที่เคยรู้จักกัน เกี่ยวข้องกับสุกโตอันนี้ก็คือเหตพผลที่ทำให้หลวงพ่อไปจำพรรษาที่ภูเขาทองนะปีส 34, 35, นะสามสามสีสห้าาท่านไปวัดโมกสม่วนตมานี่ก็ไปอยู่ที่ภูหลงนะก็เพื่อให้พระที่ท่านอยากจะมาครองวัดได้ครองสมใจนะ แต่ตอนร้ายตอนหลังก็อยู่ไม่ได้มาพบถูกชาวบ้านขับไล่นะมีการคว้างปลาเอาก้อนหินคว้างปลากระจกแตกทุกวันนี้กระจกที่แตกนี่ก็ยังคงอยู่มั้งอาตมาไม่ได้ให้ซ่อมนะเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงเหตุการณ์นั้นว่าสมัยหนึ่งนะมันเคยมีความขัดแย้งกันถึงสุดท้ายก็พระก็อยู่กันไม่ได้ แล้วชาวบ้านก็ก็ไม่เอาพระกลุ่มนั้นเหมือนกันนะจนกระทั่งทางการผู้ผู้ผู้ว่ารการจังหวัดก็บอกว่าให้วัด น, นี้ไม่มีพระอยู่สักปีนึ่งก่อนก็คือปี36นะปี36เป็นปีเดียวที่บร้างไม่มีพระอยู่เลยนะแล้วก็ปี37มเอ็ตอมาถึงค่อยกลับมาที่นี่แล้วก็มาค่อยๆฟื้นฟู แล้วตอลงหลวงพ่อก็มาจำภาษาที่นี่หลังจากที่ภารกิจที่วัดพุกทองก็ค่อยๆบันท า, าวงไปอันนี้ก็เรียกเป็นผลสืบเนื่องมาจากาการปรงศพหลงพ่อเทียนตั้งแต่ปีสามหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าก็หวังว่านะการจัดงานของพวกเรานะที่จะมอบให้กับสรีละหลวงพ่อคำเขียนนะก็จะ เป็นไปด้วยความสามัคคีกันทั้งในส่วนพระในส่วนโยมส่วนโยมอาจจะไม่เท่าไหร่นะส่วนพระนั่นแหละนะทีอ่อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเกิดว่ามีทิฏฐิมานะนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อคำขียนนะส่วนใหญ่ที่สำคัญสําคัญก็อยู่ที่นี่นะแล้วก็อยู่ที่ภูเขาทองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีความาเข้าเข้าใจกันมีการปรึกษาหารือ ก, กัน อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนหลวงพ่อพเทียนซึ่งลูกศิษย์ท่านเยอะมากนะเป็นเจ้าวาสำนักต่างๆก็เป็น10นะเป็นสิบสาขาได้1ิบสำนักได้แล้วก็วัยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรึกษาหารือก็อาจจะน้อยหรือว่าความความเห็นที่แตกต่างกันก็อาจจะมากนะแต่ว่าสำหรับ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อคําเขียนนะก็คิดว่าก็คงจ ะ, ะมีความเข้าใจเห็นพ้องต้องกันแต่ว่างานการนะพอจัดงานแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างในเรื่องรายละเอียดนะในเรื่องรายละเอียดซึ่งบางทีพอพองานเยอะงานติดต่อกันหลายวันเกิดความเครียดขึ้นมาก็อาจจะ มีปากเสียงกันได้เดี๋ยวว่าตายอะไรเลยแม้ก็ทัางงานในโรงครัวเนี่ยทุกคนต่างก็ทำด้วยความตั้งใจนะแต่ว่าก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนี่ขนาดโรงครัวก็เป็นทากันไม่กี่คนแล้วก็เป็นสถานที่เล็กๆนะการกระทบกระทั่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะที่นี้ที่ไหนก็เป็นได้ทั้งนั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นงานใหญ่นะมีคนเกี่ยวข้อง นะเป็นเป็นสิบเป็นร้อยนะเฉพาะคนทํางานนะนะมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้บ้างสิ่งสำคัญคือว่าต้องดูใจของตัวด้วยนะจัดงานให้ครูบาอาจารย์แต่ว่าส่งจิตออกนอกไม่ดูใจตัวนี่มันก็แย่นะเดยอเพราะครูบาอาจารย์ซึ่งสอนให้เราเนี่ยกลับมาตามดูลุทันกายลุทันใจนะท่าน สอนมาทั้งชีวิตนะเฉพาะหลวงพ่อคำเขียงก็สอนมา48บปปีนะให้เรามาดูใจแต่ว่าพอจัดงานศพถวายท่านนี่กลับไปส่งจิตออกนอกลืมดูใจปล่อยให้ความเครียดความหงุดหงิดความไม่พอใจปล่อยให้ทิฏฐิมานะครองใจอันนี้มันก็น่าละอายนะถือว่าสอบตกนะตอนอยู่ก็ไม่ได้พัฒนาตนให้ดีขึ้น แล้วพอท่านละสังขารไปลูกศิษย์ก็มาทะเลาะกันเพราะว่ามัวแต่ลืมดูใจของตัวอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าละอายนะจะไม่เป็นศักดิ์รีให้กับหลวงพ่อถึงแม้หลวงพ่อท่านจะไม่ต้องการก็ตามแต่นี่คือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาใจของตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญรักษาตนให้ได้ก่อนนะถึงค่อยไปไป ไปช่วยเหลือกิจการงานต่างๆหรือว่าทำไปพร้อมกันก็ได้นะทำงานไปก็ดูใจไปด้วยเรียกว่าทากิจแล้วก็ทาจิตไปด้วยนะถือว่าเป็นการสนองคุณของท่านแล้วก็เป็นการปฏิบัติบูบชาด้วยการกระทำนะไม่ใช่ด้วยแค่การสร้างจังหวะหรือแค่การเดินจงกรมท่านนั้นก็เช้านี้ก็นะเก้าโมงนะท่านใดที่วางแล้วมีกำลังมีน้ําใจนะก็ ไปช่วยกันนะที่วัดภูเขาทองนะเพราะว่าจะเป็นการเตรียมเมนนะพื้นที่รอบเมนด้วยนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะมีคนมาร่วมงานเท่าไหร่ในวันที่6อาจจะเป็นหลักพันอาจจะแค่ 1,000 พหรือว่าไปถึง 5,000 ันก็ได้ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าที่ผ่านมาสองวันก็เป็นพันเข้าไปแล้วนะเราก็เตรียมรับพร